สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชินเปเยซูตอนที่446เรื่องการเติบโตในเตาวิญญาณบริสุทพระชจะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดถึงข้อสิบเก้าโปรดฟังพระชจะของพระเจ้าขอพระเจ้าแห่งพระยเยซูคริสต์เจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมี จ, จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ของพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพรงได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านแต่รู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับทำบิกชน มีสงาราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรแต่รู้ว่าฤทธานุภาพอันใจของโงงมีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อสวัสดีตอนเช้าสำหรับวันอังคารครับพี่น้องในเช้าวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงการเติบโตในตัวินทรีบริสุทธิ์หรือการเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ บริสุทธิ์ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์การเปี่ยมล้นการเติบโตด้วยฤทธิอานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก่อนอื่นครับพราะนั้าพระเจ้าตอนนี้เชี่เราทั้งหลายไดเห็นนะต้องรู้ถึงสิ่งที่จําเป็นมากในการ ประกอบด้วยสติปัญญาและการประจักษ์แจ้งในความรู้ถึงพระองค์เราจะเติบโตใฝ่จิตวิญญาณหรือเติบโตในผู้วิญญาณบนสุดไม่ได้ครับถ้าเรามีความรู้ไม่พอถ้าเรามีจิตใจที่มิได้ประกอบด้วยสติปัญญาตาใจของเราจะไม่สว่างนะครับเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่รู้ ว่าเรามีความวังอะไรที่พระเจ้าประทานให้เรามีความหวังอะไรที่พระเจ้าได้ตั้งเป้าประสงค์นับถือไทยของพระองค์ในชีวิตของเราและเราก็ไม่ได้สัมผัสถึงคุณค่าของบรดกของพระเจ้าที่เตรียมไว้สําหรับเราว่ามีสงาราศีเยอะแ ย, ยะมากมายอุดมบริบูรณ์มากและเรา ก็จะไม่มีวันสัมผัสถึงประสบการณ์ในริดเดตในริดธนูภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เตรียมไว้สําหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์พี่้องครับการเติบโตนั้นจะต้องเป็นลําดับไม่สามารถที่จะก้าวข้ามขั้นตอนต่างๆไปได้ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราเห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการเติบโตนับตั้งแต่การอธิษฐานครับท่านอคาทูปเปาโลนั้น อธิษฐานขอเพื่อคริสเตลียนชาวเอเฟสัสเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราต้องอธิษฐานขอการเปลี่ยมล้นเราเองต้องอธิษฐานขอการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปลี่ยมล้นนั้นก็เป็นสนัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกระบวนการการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องอธิษฐานทูลขอให้เรามีจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อที่จะไปถึงความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ ที่ฐานขอให้เราได้อ่านพระชนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอครับทําความเข้าใจโดยการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านอาจารย์ผู้สอนหรือจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าทิ้งต่างเหล่านี้ครับทําให้เรามีความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่เราจะปฏิจจ์ครับคําว่าประจจ์นั้นมีความหมายว่าความเข้าใจอย่าง จำแจ้งพูดเหมือนภาษาชาวบ้านก็คืออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อผมเข้าใจแล้วอ๋อที่ผ่านมานั้นเรายังเข้าใจไม่หมดแต่ตอนนี้เราตาสว่างแล้วพี่น้องครับการที่ขั้นตอนต่างๆจะต้องเป็นไปตามลาดับนั้นมีความสําคัญเพราะตาใจเราสว่างเราจึงรู้ เรามีความเชื่อเราจึงสามารถเข้าสู่ความปิติอินดีในสิ่งที่เรารู้ฉะนั้นการประจักแจ้งนั้นมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราแต่ละคนความรู้ที่เราจะต้องเศะหาแสวงหาเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะส่งผลต่อประสบการณ์ครับประสบการณ์ความเชื่อที่เรามีอยู่ยิ่งเรารู้มากเพียงไหนสมมตสภาพฝ่ายิญญันของเราก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้น เราจะมีศ <the> ักยภาพฝ่อยวิญญาณเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะมีการเปี่ยมร้นในเพิ่มวิญญาณโดยสุดบ่อยขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเปลี่ยมลุนในเพิ่มวิญญาณโดยสุดเติบโตในเพิ่มวิญญาณโดยสุดเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการรับใช้พระองค์เราต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการที่จะถือสิทธิแห่งมรดกของเราโดยความเชื่อเราก็จะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในฐานะที่เรานั้น ผู้ที่เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญ ญ, ญาณเขาเติบโตในผู้วิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อค น, นคนใดบังเกิดใหม่ฝ่ายประวิญญาณแล้วบังเกิดใหม่แล้วเขาจะต้องยึดเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สําหรับเขาและเขาจะมีประสบการณ์ของเขาตามสัดส่วนการเติบโต ฝ, ฝ่ายวิญญาณของเขาและเมื่อผู้วิญญาณบริสุทธิ์ทรงอนดานให้ตาแจ้งเขาสว่างขึ้นภาพต่างๆซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจ หรือแทบจะไม่เคยแม้แต่คิดถึงนึกถึงหรือฝันถึงก็ตามปัดนี้ภาพเหล่านั้นก็เริ่มปรากฏแจ้งตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามการเตรี่ยมล้นที่พระวิญญาณสุดได้ประทานให้ในชีวิตของเขาภาพเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่เคยแม้แต่จะเห็นจะฝันก็เริ่มปรากฏชัดเจนตรงหน้าเขาและเขาจะเริ่มเห็นและรู้ถึงความหวังในการทรงเรียกของพระเจ้า จะเห็นถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้และสิ่งที่สําคัญคือว่าเขาจะสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอให้เราได้รับการท้าทายเพื่อที่เราจะแสวงหาความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่มีความรู้ทั่วๆไปครับแต่เป็นความรู้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าความรู้ที่จะเราจะได้รับจากการอ่านพุทธจารย์การศึกษาพระกัมภี์ เพื่อที่เราจะเพิ่มพูนให้เรามีความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อนั้นความเชื่อจะนำเราไปสู่การอัศจรรย์มาสัจจันทร์แห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ในพระเยสุคริสกับพิเดษของพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เราต้องไม่ท้อถอยครับเราต้องไม่ท้อถอยในการพุงรักษาการเปี่ยมร้นหรือการเติบโตไว้นะครับอย่าท้อถอย เสียการเปลียนรในพันธ์ยบริษัทพี่น้องครับการท้อถอยทําให้เราสูญเสียการเตลี่ยนรถเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสาเหตุการท้อถอยหลายอย่างนะครับสาเหตุที่เราสูญเสียการเตลี่ยนรถหลายอย่างก็คือเราถดถอยท้อใจเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อฟังพี่น้องครับก่อนจะจบในช้าวนันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเด็ก ผู้ใหญ่นะครับขอเปรียบเทียบบุคคลสองคนนี้คนหนึ่งนั้นเป็นทารกแรกเกิดน้ำหนัก4กิโลกรัมเริ่มจะหายใจไม่กี่วันแต่คนหนึ่งนั้นเป็นชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่สูงถึง6ฟุตหนัก75กิโลกรัมทั้งคู่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้วนสมบูรณ์แข็งแรงหายใจสม่ำเสมอทั้งคู่นั้น เปลล้นด้วยลมหายใจถามว่าทั้งครูนั้นมีความแตกต่างอะไรครับคำตอบก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลสองบุคคลนี้เด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่ความจุในปอดของเขาแต่ละคนนั้นต่างกันครับเมื่อความจุอของเขาในปอดแต่ละคนต่างกันนั่นหมายความว่าในฝ่ายวิญญาณนั้น ทั้งคู่นั้นเปี่ยมล้นเหมือนกันแต่คนหนึ่งเปี่ยมล้นมากกว่าคนหนึ่งเพราะเขาจุบลมหายใจไว้มากกว่าเพราะฉะนั้นครับพี่น้องนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อที่เราจะพิจารณาว่าคนที่บังเกิดใหม่เริ่มชีวิตกับพระเจ้าใหม่เขาก็มีการเปี่ยมล้นได้หลายหลายคนที่เติบโตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการเปลี่ยมล้นมาหลายครั้งแล้ว เราก็จะเตรียมร่นด้วยพระเมญายมัยสุดตายแต่แตกต่างกันครับเพราะว่าเราจะมีความจุของพระเมญายมัยสุทดมากกว่าผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ว่าสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะบอกว่าเราเตรียมร่นด้วยพระเมญามัสุดหรือไม่นั้นไม่ใช่ของประธานอย่างเดียวครับแต่ผลของพระเมญามัยสุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเตรียมร่นด้วยพระเมญามัยสุ์อาเมน